ท่านก็ท่านก็ต้องฝึกในเหมือนกันเนี่ยนะพระธาตุเนี่ยเราต้องหาโอกาสที่จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาและสักการะทีนี้ไปไหว้ก็ได้จะประนมมืออัญเชลีและยังใจให้เลื่อมใสอ่ะนะโดยที่สุดทําได้อย่างนั้นก็เป็นบุญแล้วละ่ะแต่ก็ถามว่าสิ่งที่มีค่าหาประมาณที่สุดไม่ได้เหมือนอย่างว่านะแสงสว่างที่เรียกว่าแสงสว่างในโลกนี่เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันใหญ่จริงๆเลยเนี่ยถ้าถามว่าเอาไม้เอาอะไรมาปิดตาแล้วมองเห็นเท่ารูเข็มเนี่ยนะ เห็นแสงสว่างเท่ารูเข็มเนี่ยถามว่าพอไหมใช้แสงสว่างเท่ารูเข็มในการดําเนินชีวิตบอกไม่พอควรจะมากกว่า น, นั้นใช่ไหมบอกใช่การไปบูชาพระธาตุทั้งหลายก็นัยเดียวกันไม่ใช่ไปนะ่ะเอาไปกราบไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุโทโธแล้วพอควรที่จะเจริญอิติปิโสเป็นต้นนะควรที่จะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะนะไปสวดมนต์นสรนเซิลแบบบูราณท่านภาว่าก็ได้คาําทําวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเป็นการสรนเริญคุณพระรันาตนตรัยทั้งนั้นแหละ นะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นก็ได้หรือไม่ก็พิสดารไปกว่า น, นั้นเอาพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งไปอ่านหรือสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณเป็นต้นไปกล่าวไปสรรเสริญไปยกย่องเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไหว้กราบไหว้หนึ่งนาทีเราก็ได้บุญแค่นาทีเดียวถ้าเรากราบไหว้บูชาได้สองนาทีเราก็บุญสองนาทีถ้ากราบไหว้สิบนาทีสรรเสริญสิบนาทีก็ได้บุญไปสิบนาทีถ้าบูชาชั่วโมงหนึ่งล่ะ ก็ได้บุญชั่วโมงหนึ่งไม่แน่นะบางคนเนี่ยบาตรตั้งแต่หนาทีแล้วส่วนอะไรก็นักขณาวันเมื่อไหร่จะเลิกกันนะแต่ก็ถือเอาเป็นประมาณตรงนั้นไม่ได้เพราะคนในโลกก็มีทั้งคนปุฟันดีฟันเสียฟันเขฟันเอียงฟันสารพัดฟันใช่ไหมก็มาจากไหนก็มาจากมิจฉาวาจานั่นแหละนะไม่งั้นเนี่ยหมอฟันตกงานหมดถ้าคนพูดแต่ว่าจีสุเจริชใช่ไหมแต่เนี่ยเราก็รู้ว่าเออเนี่ยธรรมดาเพราะคนที่มีวัจจิธุจริชก็มีอยู่เนี่ยนะเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะไปเอาปลากปากที่กลืนเบ็ด ของมารเป็นประมาณไม่ได้หรอกเอาคนที่เขาสรรเสริญบูชาพร ะ, ตะัตนะตรัยเป็นประมาณนะนะท่านโดยเฉพาะว่าพระเกี่ยวแก่นเนระลึกไว้เสมอเลยว่าเนี่ยพระธาตุเหล่านี้นะเคยเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณถ้าเป็นพระธาตุทั่วทไปเนี่ยเออเนี่ยพระธาตุเหล่านี้นะอย่างสมมติวพระธาตุแขนขาพระธาตุ พระบาทเป็นต้นนี้สี่เป็นที่เคยรองรับพัสรีนะครเป็นที่รองรับพระพุทธคุณประทาศส่วนไหนก็ช่างเถอะเราก็สามารถที่จะเจริญพุทธานุสติได้ทั้งหมดเนี่ยนะพุทธานุพุทธคุณทั้งในศรีระคุณพระพุทธคุณพระปุปพพจริยาคุณไประลึกถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นถ้าระลึกเท่าไหรก่ก็ก็เป็นบุญของเราใช้เวลาสิบนาทีก็เป็นบุญสิบนาทีถ้าชั่วโมงก็เป็นบุญชั่วโมงหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาไปไหว้มาแล้วพอแล้วมันก็ ที่ทานข้าวแล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้บ้างบอกทานมาแล้วเนี่ยนะเมื่อวานก็ทานเมื่อปีก่อนก็ทานบัดนี้เป็นต้นไปข้าวกับ น, น้ําบอกเลิกกันทีนะทีทีท่ที่อย่างนี้ทําเป็นอะไรนะไม่เห็นบอกว่าแล้วเลยใช่ไหมเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาอาหารส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนี้กันฉันใดทําไมเราไม่แบบฝากฝ่ายในการเจริญกุศลเท่านั้นเนี่ยนะหรือว่าเบื่อบุญซะแล้วเนี่ยนะองค์บอกว่าอย่ากลัวบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของ ความสุขเนี่ยนะเพราะบุญเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายกัพบถ้าเราเกลียดบุญก็แปลว่าเราเกลียดความสุขถ้ารังเกียดบุญก็รังเกียดความสุขแล้วบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราก็าบอกว่าใจชั่วขณะลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะมันคิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดเกิดดับรวดเร็วชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเกิดดับเป็นแสนโกขนดขณะจิตเฮ้ยถ้าเราบาปวันหนึ่งแล้วมันก็บาปเท่าไหร่ สมมตินะถ้าเราปล่อยไปเรื่อยใช่ไหมมันเว้นแต่หลับเท่านั้นแหละที่มันไม่คิดหลับแล้วยังฝันมันยังคิดเลยเอ้ามันหลับสนิทเท่านั้นแหละที่มันไม่คิดสรุปว่าเราใช้ความคิดที่เป็นบาปสมมุติว่าวัดหนึ่งเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งมันเกิดดับเป็นแสนโกดขนาดจิตแล้ววันวันหนึ่งเราบาปเท่าไหร่เอ้าท่วมขนาดไหนไม่รู้นะเอาทําไงทําให้มันบุญถ้าบาปมันเกิดได้อย่าเท่าใดบุญมันต้องเกิดได้เท่านั้นบาปเป็นสิ่งที่ไร้คุณภาพแต่บุญเป็นสิ่งที่มี คุณภาพบาปมันก็เหมือนกับน้ําทะเลที่ดื่มกินก็ไม่ได้บุญถึงจะน้อยทักเจริญได้นิดหน่อยมันก็เหมือนกับน้ําที่น้ําโอษฐที่เป็นยาดับกระหายรักษาโรคเป็นน้ําที่ดีและมีคุณค่าพันทํำยังไงให้จิตมันเป็นบุญหาโอกาสให้จิตเป็นบุญยาเบื่อหน่ายที่จิตจะเป็นบุญบางคนก็บอกหมายอยากจะทําบุญให้สมบูรณ์เต็มร้อยเขาว่างั้น ถ้าฟังทำมก็ต้องฟังอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเข้ามากวนเลยจะทำบุญก็ทำได้อย่างเดียวถ้าหมายว่าถ้าทำงานก็เอาแต่ ง, งานอย่างเดียวไม่ต้องทำบุญไอนทำบุญก็ทำอย่างเดียวไม่ต้องทำงานแม่มันแบ่งไปอย่างนี้ไปหมดยอมว่าดีไหมทำได้ไม่ล่ะสำคัญมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำเลยนนี้ก็มีเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาอ้างก็ว่าคุณมีเวลาหายใจไหมถ้ายังเหลือเวลาหายใจได้ก็ทำบุญได้ละ ทำงานยุ่งถึงขนาดแหมประชุมคณะรัฐมนตรีแมยี่บสี่ชั่วโมงขนาดนั้นเลยเหรือมันก็ยังมีเวลาไปฟุ้งซ่านวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเอา้ามีเวลาคิดถึงคนอื่นได้ทําไมแบ่งเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเราจะคิดอ่ะนะยังคําบางคำเนี่ยนะทำไมเราจําคําบางคนได้แม้จําเรียบเรียงไปเล่าสืบทอดกันต่อๆแล้วต่อเล่าเนี่ยนะคำเพอ้อเจอ้อทั้งนั้นแหละทำไมจําแม่นอะไรขนาดนั้นทําไมไม่จําพระพุทธเจ้าพุทธพจน์ได้อย่างนั้นบ้างเอ้า ถ้าเราคิดถึงคนอื่นได้ตังเยอะแยะคิดถึงไก่คิดถึงหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ทําไมจะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างไม่ได้แค่ปรับทัศนคตินิดหน่อยนะเราวันหนึ่งให้บุญเยอะแยะเลยนะปัญหาว่ามันจะเอาหรือเปล่าแค่นั้น แ, ลแหละนะถ้าจะเอาเราจะบอกวิธีให้ อันนั้นวิธีให้บอกอูนเจริญไม่ยากบอกบุญอะ่ะบุญเนี่ยเป็นอะไรจะทําง่ายก็เท่าบุญไม่มีอีกแล้วทําแล้วก็สบายใจตอนทําก็สบายใจทําเสร็จแล้วก็สบายใจตัวเองก็ตําหนิไม่ได้คนอื่นก็ตําหนิไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคนที่ตําหนิคนที่ทําบุญเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้เราเดินไปที่ไหนเนี่ยเคยได้ยินเสียงข้างทางบ้างไหมได้ยินใช่ไหมทั้งเห่าบ้างก็มีทั้งหอนก็มีเป็นต้นแล้วเราหนักใจใช่ไหม ไม่เห็นหนักใจอะไรยุงบินกวนมีไหมแมลงวันตอมีไหมมีก็ทําไมเราไม่เห็นหนักใจอะไรเลยแล้วคนบางคนพูดแล้วทําไมแมมเก็บไปคิด ถ, ถ้าคิดคําพระพุทธเจ้าขนาดนี้บรรลุไปนานแล้วะนะที่อย่างนั้นแล้วใส่ใจหรือเกิดเนี่ยี่เราก็มาคิดว่าเออคาของพระพุทธเจ้าเนี่น่าคิดนะเราคิดถึงคนอื่นก็คิดได้ตังเยอะแยะทําไมจะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยนะจําคําของคนทั่วไปเราก็จําเรื่องราวของเขานี่ยจำได้เยอะแยะไปหมดเลย แม่ก็ว่กเขาว่าหัวเขาไม่ดีจําเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นไว้แต่เรื่องคนอื่นเหมนกันนะนะ <c oughs> เล่าไปเรื่องนกเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องม้เงมาเรื่องอะไรเล่าไปสามชั่วโมงแล้ไม่มีจบเนี่ยนะ <c oughs> ชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปชั่วโมงที่สองเข้ามาอีกชั่วโมงที่สามก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าเล่าได้ไม่รู้จักเบื่อจากไหน <c oughs> ก็แปลว่าจําแม่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเชื่อไดว่าใช้พลังงานผิดประเภทะ <c oughs> ใช้ทรัพย์ผิดประเภท <c oughs> แทนที่จะซื้อยากลับไปซื้อยาเสร็ติดเนี่ยนะมันคือใช้ผิดประเภทฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนการความคิดของเราทํำยังไงจะให้คิดเรื่องพระพุทธเจ้าได้บ่อยที่สุดบอกว่าไม่มีเวลาอ่านพระไตรปิฎกแต่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เอางี้ละกันก็อ่านอย่างละครึ่งกันลวกันเนี่ยนะอัานสปกติอ่านหนังสือพิมพ์ชั่วโมงหนึ่งนะอ่ะอ่านพระไตรปิฎกเพิ่งชั่วโมงหนังสือพิมพ์เริ่งชั่วโมงไงก็มาแบ่งแบบนี้ก็ได้เอาไหนๆก็แบบทิ้งเลยไม่ได้นะแล้วก็แบ่ง ชั้นใดก็ดีเอาคิดถึงคนอื่นก็ยังคิดเอาก็แบ่งคิดถึงคนอื่นสักครึ่งหนึง่งคิดถึงพระพุทธเจ้าครึ่งหนึง่งไปหารเอาเลยเนี่ยนะเอาสมมติคิดมัวให้ไม่ได้หรอกคิดถึงลูกเอาก็คิดถึงลูกครึ่งหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเอาก็มาค่อยๆแบ่งเวลายอย่างงี้ยคำว่าลดค่าใช้จ่ายบาปอันอื่นๆ อ, ออกไปเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นให้คนที่เก่งจริงๆเลยจริงๆก็ไม่มีปัญหาคิดถึงใครก็คิดไปเถอะเพราะเขาจําคําสอนได้หมดเขาคิดถึงใครก็ได้บวกกับคําสอนเสมอ อย่างคนที่ค้าขายเขามองเห็นอะไรเป็นกําไรไปหมดใช่ไหมคนที่อย่างที่เขาเรียกว่าคนมีบุญในโลกเนี่นะเอาอย่างนี้น่อนะในโลกเนี่ยคุณลองดูนะตรงไหนที่คนประกอบอาชีพไม่ได้เนี่ยนะมองดินฟ้าอากาศดินน้ําลมไฟร่างกายทุกส่วนตั้งแต่กหัวจรถเท้าข้างหน้าข่างลังข้างซ้ายข่างขวาเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมีคนประกอบอาชีพแสวงห า, หากําไรได้จากทุกสิ่ง ประกอบอาชีพและดํารงอยู่ในโลกได้และคนที่ทําบุญทําไมไม่เจริญอริยสัพย์ไม่ได้จากทุกอารมณ์แล้วก็ทุกสิ่งละ่นนะคนที่เขาฉละเขาหาโพกสัพย์ได้จากทุกอย่างคนที่เจริญกุศลธรรมก็ต้องหากุศลได้จากทุกอารมณ์เนีแ่แต่ว่าเบื้องต้นต้องศึกษาให้พอก่อนเมื่อเรียนจนพอเข้าใจมงคลเป็นต้นในชีวิตจริงแล้วก็ทุกอย่างก็เจริญได้หมดเลยนะเจริญพุทธคุณจำอิทธิปิโสได้หมดเนี่ยนะ เขาบอกว่าคิดถึงใครยังร้องเพลงตามประกอบได้ด้วยใช่ไหมอา้าวแล้วทําไมคิดถึงใครแล้วอิทิพิโสประกอบบ้างไม่ได้เนี่ยนะอ้าวก็นึกถึงพระธรรมเป็นต้นประกอบได้บอกหรือไม่บอกอุ้ยแบ่งแบ่งสมองเขาทำเป็นแบ่งะนะขอให้มันแบ่งจริงๆเถอเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าคนที่นี่จริงๆอ่ะนะ <ๆ S 2> เขาจะไม่ปล่อยให้จิตไปเป็นบาปง่ายๆพร้อมที่จะเจริญกุศลธรรมได้กับทุกอารมณ์กับทุกเรื่องโดยที่สุดคิดถึงผมเป็นกุศลได้ไหม ได้คิดถึงเล็บคิดถึงฟันคิดถึงหนังคิดถึงข้าวคิดถึงน้ําคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญกุศลได้ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ที่สําคัญเราต้องเรียนจนกว่าจะปรับทัศนคติของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไปกับคําสอนได้จนเพียงพอเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการเจริญกุศลของเราก็จะไม่จํากัดเจริญได้ในที่ทุกหนทุกแห่งในที่ทุกสถานจะไม่มีเวลาว่างจากการเจริญ กุศลเลยเนี่ยนะแล้วไม่เหงาด้วยเนี่ยนะไม่ต้อกลัวเงาไม่ต้องไม่ต้องหนักใจไม่ต้องไม่สบายใจคิดถึงอะไรก็เป็นกุศลมองเห็นอากาศโล่งๆยังได้บุญเลยนะมองเห็นไฟก็ได้บุญมองเห็นน้ําเห็นลมเห็นเพื่อนเห็นศัตรูก็ยังคิดถึงศัตรูก็ยังเป็นบุญอีกนั่นแหละคิดถึงสัตว์นรกยังได้บุญนเลยอ้าวเป็นได้ไงขอให้สัตว์นรกทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเพลิดคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นบุญได้ไหม ได้คิดถึงสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้เขามีความสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเถิดเียเอาเมตตาสูตรไปใช้สูตรเดียวคิดถึงอะไรก็บวกกับเมตตาสูตรไปหมดมันก็เป็นบุญได้กับทุกเรื่องอยู่แล้วแต่คิดถึงอะไรก็ใส่ใจมงคลสามสิแปดได้หมดคิดถึงอะไรก็คิดถึงอริยสัต์ได้หมดก็ยังไงก็อุ้ยกุศลจิตเกิดหาประมาณนี้ได้แต่สาระสําคัญว่าเราเห็นว่าความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยมีค่าจริงหรือสําหรับเราหรือว่าโลภมีราคามากกว่า หรือว่าอ่านะความโกรธโทสะเป็นต้นมีค่ามากกว่าจิตที่เป็นกุศลแต่สําคัญก็ต้องมาแยกว่าความคิดที่เป็นกุศลอกุศลอันไหนมีสาระอะไรไม่ใช่สาระอะไรควรเจริญและอะไรไม่ควรเจริญอะไรควรบําเพ็ญหรืออะไรไม่ควรบําเพ็ญอะไรควรทําให้มากอะไรควรละหรือควรเจริญถ้าจําแนกแยกแยะอะไรดีมีค่าอะไรไม่ มีค่าเป็นต้นก็ใส่ใจให้บ่อยๆดีๆก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะย้อนกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับพระาธาตุเนี่ยนะในหน้า463ตอบอีกว่าท่ทาท ก, กเนี่ยนะที่เอาพระเขี้ยวแกวข้างขวาไม่รู้ว่าบนหรือล่างนะเขี้ยวส่วนใหญ่ก็ข้างบนนะข้างบนและขวาที่ที่ปักลงล่างเนี่ยนะ ก็ไปสร้างจุฬามณีเจดีสถานเอาไว้ที่ดาวดึงัสอย่าลืมนะถ้าใครจะไปสวรรค์ก็อย่าลืมให้แวะยังไงก็ต้องไปไหว้ให้ได้เนี่ยนะให้ไหว้ได้ทุกวันถ้ามีอายุ ก, กี่ล้านปีก็ต้องขอสมาทานยังไงก็ช่างอะหนึ่งวันดาวดึงัสเนี่ยเขาบอกแหมเวลา24ชั่วโมงมันน้อยเหลือเกินคว่างั้นบอกไม่ต้องหนักใจหรอกดาวพฤหัสเนี่ยนะหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเนี่ยเท่ากับ ร้อยปีของเราเนี่ยช่วงเวลาร้อยปีเนี่ยไหว้สักครั้งหนึ่งไม่ได้หรือเราไหว้ให้มันทุกวันนั่นแหละทุกวันของดาวกระดึงนะแต่จะให้เดีวยวไหว้ทุกวันมนุษย์ได้ก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าไปไหว้ทุกวันของดาวกระดึงได้ก็ยิ่งดีเลยทุกร้อยปีต้องไหว้พระาธาตุให้ได้ต้องตั้งอัตตสัมมาปณิทิไม่อย่างนั้นนะไปอยู่ที่นั่นกมวแต่ไปชมดอกอะไรนะหลอกแครไฟอยหมดเวลาแล้วเนี่ยนะไปเจอดอกแครไฟอยดอกอะไรนะดอก ปริชตะกะเนี่ยนะไปนั่งดมละอองปริชตะกะอาหมดบุญแล้วอย่างเงี้ยนะอะไรเพราะหมดบุญแล้วมัวแต่ดมดอกไม้หมดบุญแล้วก็กลายเป็นดอกไม้พิษและจุติละครเนี้ยก็ไปเหอะคันนี้เกิดเป็นแมลงเป็นผีเสื้อวอนอยู่ตามดอกไม้นี่แหละเพราะดมดอกไม้ยังไม่อิ่มเลยใช่ไหมก็ไปดมต่อละกันน่นนะมันก็พยายามที่จะตรึกคิดให้มันเป็นกุศลให้เยอะๆบ่อยๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะคิด ท, ทุกแห่งไว้เพื่อที่จะไป เจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณฝ่ายพราหมณ์เนี่ยนะฝ่ายพราหมณ์นี่พอแบ่งพระสิริรัฐเสร็จแล้วก็คิดว่าพระทนานทองคําที่ตวงพระสรีริาตฐแล้วแบ่งเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันกันกบพระธาตุเหมือนกับพระธาตุนั่นแหละก็เลยทําทนานทองคําจะเอาไปสร้างสถูกก็เลยขอพวกเจ้าทั้งหลายว่าเออเนี่ยจะขอทนานเอาไปนะแล้วก็ เจ้าทั้งหลายก็อนุญาตแล้วแต่ท่านอาจารย์เธอเนี่ยให้อาจารย์ไปสร้างพัฒน์อะไรนะไปสร้างพัสถูบัณจุบัณฑุท น, นานฝ่ายเจ้าโมริยะมาทีหลังเพื่อนแต่จริงก็ทรงพูดมาเตรียมการรบเหมือนกันเอาเขาแบ่งไปหมดแล้วรบเอาอะไรกันนี้ก็เลยให้สร้างอะไรก็เลยได้อะไรไปได้อังคารคือขี้เท่าไป ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ให้สร้างสถูปบรรจุพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าและทํางานมหกรรมมหกรรมงานยิ่งใหญ่มากในเมืองราชครึกเพื่อฉลองพระธาตุเนี่ยนะถามว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ทําการฉลองพระธาตุอย่างไรตอบว่าได้ทรงทํามหากรรมตั้งแต่กรุงกุสินารา จ, จนถึงราชครึกโดยระยะทางปกติ25โยด25คูณ16กิโลเมตรเนี่ยก็เป็นร้อยอ่ะหลายร้อยกิโลพัน ในระหว่างทางนี่ก็ทำทางให้กว้างแปดอุศภะปราบพื้นให้เรียบทำให้ให้มีการบูชาแม้ตลอดหนทาง25ห้าโยช์เช่นเดียวกับที่เราเจ้ามาละเนี่ยทำการบูชาระหว่างมากุฏพันธนะเจดีและสันทาคารเนี่ยนะเพราทุกเจ้าเหล่านั้นบูชาอย่างไรพวกเราต้องบูชามาอย่างนั้นแหละตั้งแต่เมืองกุศินราจนถึงเมืองราชคฤชคระองก็ขยายไปในระหว่างตลาดในที่ทุกแห่งเนี่ยนะ